ที่ประเทศจีนนะเมื่อหลายสิบ ป, ปีก่อนมีชายคนหนึ่งเป็นพ่อค้าวันหนึ่งก็เดินไปที่ตลาดก็มีคนทักนะว่าเนี่ยคุณตอนเนี้อายุสี่สิบปีใช่ไหมไม่มีลูกไม่มีเมียใช่ไหมชายคนนั้นก็แปลกใจเพราะทักถูกก็เลยชมว่าเนี่ยนี่ยทายแม่นมากแล้วก็ชายคนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นซินแสเนี่ยนะบอกว่า จะทายให้แม่นกว่านี้ก็ยังได้นะตอนนี้ให้คุณระมัดระวังตัวไว้นะเพราะว่าภายในเดือนนี้อาจจะเกิดเหตุร้ายถึงกับชีวิตได้แล้วแกก็เดินจากไปพอข้าวคนนั้นก็แปลกใจแล้วก็สอบถามคนแถวตลาดก็เลยได้ความว่าเนี่ยสินแสคนนี้นี่ทายอะไรนี่แม่นมาก แล้วเวลาแกทักว่าให้ระวังตัวเนี่ยส่วนใหญ่แกก็ทักเฉพาะคนที่ชะตาขาดนะชนธรรมดาชินแสก็จะไม่พูดตรงๆนะว่าคุณชะตาขาดแล้วนะแต่จะพูดให้คลุ่มเครื อ, อไว้ว่าอาจจะประสบเหตุร้ายอยู่ได้ไม่เกินเดือนนี้ อันนี้เป็นคุณธรรมของสินสที่เขาไม่พูดอะไรตรงๆว่าชะตาขาดแล้วอันนี้ก็ได้พอครานี้ก็ได้ฟังมาจากคนในตลาดนะวันเนี้ยสินสาคนนี้ทายแม่นพอี่อย่างชนนี้เนี่ยเจก็เลยคิดว่าเนี่ยถากว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานนะก็อยากจะไปเคารพ ญาติผู้ใหญ่เพราะว่ามีญาติผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณหลายคนแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปหาเลยเพราะงานรัดตัวแต่ว่าตัวเองจะอยู่ได้ไม่นานนี้ก็อยากจะไปกราบคารวะก็เดินทางนะไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้บอกนะพ่อ ผมจะอยู่ได้ไม่นานนะยา่าผู้ใหญ่ก็ไม่รู้นะก็เห็นพ่อข้าคนนี้มาก็ดีใจนะพาอไม่ได้พบกันมานานเสร็จกิจแล้วนี่ยก็เดินก็กลับนะกลับบ้านบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะมันมีพายุมีฝนตกนะทีมากเลยถนทนทางก็ลำบาก แล้วคืนนึงเนี่ยก็พักที่โรงเตียมนะช่วงนั้นก็พอดีนะฝนหยุดตกก็ดนะกลังค่ำมลาคืนเนี่ยประมาณสักหัวค่ำเดี๋ยวก็เดินออกไปที่ออกไปรอบไปเดินเล่นนะรอบๆโ ร, รงเตียมพอเดินไปที่สะพานแห่งหนึ่งเนี่ยรากฏเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ย โดดลงจากสะพานล่างนี้ก็จมลงไปในแม่น้ำเหมือนกับว่าค่าตัวตายแต่ก็เลยตะโกนเรียกยใครต่อใครช่วยหน่อยนะว่าใครก็ได้มาช่วยพยงคนนี้ให้ปลอดภัยจะให้เงินนะยี่สิบตำลึงเป็นค่าจ้างเป็นรางวัล พอหลายคนได้ฟังเันนั้นก็ลงไปเลยนะลงจากสะพานไปช่วยพู้หญิงนั้นจนรอดปลอดภัยพู่หงนั้นก็อายุังไม่มากนะยี่สิบกว่าพอเขาคนั้นก็เลยถามว่าทำไมจึงคิดฆ่าตัวตายอกหักหรอือบอกเปล่านะฉะนันก็มีสามีแล้วแต่ว่ายากจนมากยิ่งปอกว่านาล่มนะไม่มีเงิน ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาหนี้ก็เยอะไม่มีเงินจ่ายเหลือหมือเหลือหมูอยู่ตัวเดียวสามีก็บอกให้เอาหมูไปขายจะได้มีข้าวสารกรอกหม้อขายหมูได้เพราะว่า เ, เงินที่ได้มาเป็นเงินเป็นแบงก์ปลอมสามีโกรธมากนะหาว่าภรรยาเล่นไม่ซื่อด่าว่าต่างๆนานาภรรยาเลยน้อยใจนะ แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีทางออกแล้วก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่พ่อค้าคนนี้ก็ช่วยชีวิตได้พ่อค้าพอได้ฟังนะก็เห็นใจแนละ้วก็บอกว่าเนี่ยขายหมูได้เท่าไหร่ให้เงินเป็นสองเท่าเลยนะแล้วก็ให้เงินเพิ่มสำหรับจ่ายหนี้ พระยาก็ดีใจขอบอกขอบใจใหญ่เลยนะกลับไปบ้านก็เล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังสามีเนี่ยกลับเกิดความระแวงสงสัยว่ามันจะมีคนดีแบบนี้เหรอสงสัยคิดไม่ซื่อแล้วมั้งนะแล้วก็ระแวงว่าไหนที่เธอพูดมาจริงหรือเปล่าไหนพาไปดูเซินะคนที่ช่วยชีวิตเธอแล้วก็ให้เงินเธอเนี่ย ให้พาไปเดี๋ยวนั้นเลยนะซึ่งก็เป็นเวลากลางค่ากลางคืนแล้วส่วนพ่อค้าเนี่ยอยู่ที่โรงเตียมเนี่ยแกกลับมาที่โรงเตียมแกก็นอนนอนหลับพักผ่อนบอกว่ายังไม่ทันจะหลับมีเสียงข้อประตูก็เลยถามว่าใครผู้หญิงคนนั้นก็เลยตอบว่าดิฉันเองค่ะคนที่ท่านได้ช่วยชีวิตเอาไว้ อยากจะมาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพ่อค่าบอกว่าไม่ได้นะมาหาฉันตอนนี้มันไม่ดีเธอเป็นผู้หญิงเป็นสาวเป็นแท่มาหาฉันที่ลงลงเตี้ยมดึกดึกแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยเดีย๋ยวคนก็จะขราหา ให้มาพรุ่งนี้แล้วก็พาสามีมาด้วยสามีเนี่ยอยู่กับภรรยานะหน้าห้องของพ่อค้าพอได้ยินพ่อค้าผู้ช่นนี้ก็เกิดความชื่นชมนะพ่อค้าว่าเนี่ยเป็นคนดีจริงนะขนาดกลางค่งกลางคืนแล้วก็ไม่ยอมที่จ ะ, ะพบปะผู้หญิง แล้วก็เลยตะโกนหน้าประตูว่าเนี่ยท่านครับผมคือสามีของผู้หญิงคนที่ท่านช่วยช่วยเอาไว้ผมมาเพื่อจะมากราบขอบคุณท่านครับจากนั้นก็เลยพอรู้ว่าผู้หญิงนนั้นมีสามีพามาด้วยก็เลยรู้สึกว่าปลอดภัย เดนินลูกจากเตียงเดินไปเปิดประตูะเพราะว่าพอลูกกเตียงได้ไม่กี่ก้าวเนี่ยกาแพงเนี่ยหรือฝ้าผนังในห้องนั้นเนี่ยซึ่งมันก่อด้วยอิดหรือว่าทําด้วยดินเนี่ยมันก็พังลงมาทับเตียงของพ่อค้าพ่อค้านี่ลอดตายแบบบุบบิตดนะ เพราะว่าถ้านอนอยู่บนเตียงก็กำแพงดินอิดก็คงถล่มทับแกลาดตายเพราะราอะไรเพาะแกลุกขึ้นมาเพื่อเปิดประตูนะจะได้พบกับสามีและภรรยาหรือผู้หญิงคนที่เธอที่เขาช่วยไว้เป็นว่ารอดตายนะวันรุกงขึ้นก็เดินก็เดินทางกลับไปที่บ้าน อสอมสามันต่อมาก็พบสินสายสินสายเห็นก็ทักเลยนะในช่วงนี้นี่วันนี้คุณมีราศีดีมากเลยนะและที่สินสายแปลกใจก็คือว่าพ่อค้าคนนี้ยังไม่ตายปกดิแกดูแม่นมากนะตามชะตนี่พ่อค้าคนนี้เนี่ยตอนนี้ก็ถึงคาดแล้วแต่นี่ยังรอดชีวิตกลับมาได้แถมราศีดูดีด้วย ตัวเองเนี่ยไม่เคยทํานายใครผิดนะนี่เป็นลายแรกที่ทํานายทายทักผิดก็เลยถามว่าระหว่างเนี่ยคุณไปทําอะไรแล้วก็เลยตอบว่าก็เล่าตามความจริงรวมทั้งเรื่องที่ไปช่วยผู้หญิงนะที่ฆ่าตัวตายด้วยพอได้ฟังอย่างสินสาย ก, ก็เลยรู้ว่าเนี่อ๋อที่พ่อค้าคนนี้รอดตายเนี่ยทั้งที่ชะตาขาดแล้วเนี่ยก็เพราะว่าทําความดี ไอ้ความดีที่ทำเนี่ยนะมันช่วยรักษาชีวิตของพ่อค่าไว้ไม่งั้นพ่อค้าก็ตายไปแล้วเช่นอาจจะโดนดินหรือว่าหินทับท่วงที่อยู่โรงแรมก็ได้แล้วบกว่าพ่อค้านี้ก็มีชีวิตยืนยาวนะอายุเกือบร้อยปีโดยที่ชีวิตเนี่ยก็ราบรื่นนะไม่มีเหตุร้าย เ, าเรื่องนี้เนี่มันก็น่าคิดนะคนที่ถูก คนที่ดวงชะตานี่ถึงคาดแล้วแต่ไม่ตายนะเพราะอะไรนะเพราะความดีที่ทำให้บุญกุศลหรือความดีนี่มันมีพลังนะมันสามารถจะเอาชนะดวงดาวหรือว่าชะตาได้แต่คนเราเนี่ยถากว่าเอาชีวิตไปผูกติดอยู่กับดวงดาวหรือชะตานี่มันก็อาจจะเป็นไปตามดวงชะตา แต่ถ้าคนเราเนี่ยนะยึดมั่นในความดีมีโอกาสก็ทำความดีด้วยเพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เป็นต้องไปสะดอกครอะก็ได้นะบางคนเนี่ยพอรว่ชาชะตาไม่ดนะีไปสะดอกเคราะหแต่จริงความดีเนี่ยมันช่วยยืดอายุได้ดีกว่าการสะดอกคราะด้วยซ้ำนะช่วงนี้หลายคนก็จิตใจไม่ค่อยสู้ดีนะเพราะว่าเขาว่าเป็นมีการทายเท่ากับเป็นปีชงปีนี้เป็นปีชงนะทางว่า ไม่ไปเชื่อนะในทาทํานายทายทักมากแต่เชื่อมั่นในพลังของความดีบุญกุศลมันก็สามารถช่วยทําให้ปลอดภัยได้จะปีชงนะยังไงเนี่ยแต่ว่ามันก็แพ้นะแพ้คุณธรรมความดีเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะใครก็จะว่าปีที่เปนปีช ง, งเธอยังไงก็อย่าไปหวั่นไหวให้มั่นคงนะในการทําความดีสร้างบุญสร้างกุศล รวมทั้งฝึกจิตฝึกใจให้ดีงามด้วย